มี่น่านะจึงได้สวดนะขอให้ได้เป็นาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าได้ไป้ถึงความเป็นมนุษย์พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยเขามีสมัยพุทธกาลเขามาีพระพิโสรูปหนึ่งท่านก็บวชมาประพฤติสมณะธรรมคข่งครัดพอสมควรมีอยู่วันหนึ่งท่านก็ไปเห็น ท่านท่านนั่งเรือแล้วก็จับต้นไม้เนี่ยนะจับที่เรียกว่าต้นตะไคร่น้านําเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ไม่ปล่อ ย, ยนะช่างมันมันจะขาดบ้างแล้ช่างมันก็คือถือว่าพลาดของเขียวเนี่ยะถ้ามีเจตนาจะพลากเนี่ยถือว่าพลาดของเขียวเป็นอัมบัติ ท, ท่านก็บอกอู้อาบัตเล็กน้อยเหมือนยังไม่ปลงไม่ยอมปลงไม่ยอมทําคืนพอไม่ยอมทําคืนเนี่ยนะก่อนจะตายเนี่ยท่านก็นึกถึงวินัยข้อนี้ได้ตลอดเลย แล้วก็ยังไม่ได้ปลงด้วยไม่ได้ทําคืนก็ไม่มีใครมาแถวนั้นอีกแล้วมีความรู้สึกว่าไอ้ต้นไม้ตัวนั้นพันคออยู่ตลอดเวลานและแล้วก็จุติตายไปกายเกิดเป็นอะไรดีเกิดเป็นพญนาค <c oughs> เกิดเป็นพญงูเนี่ยนะเป็นพญนาคแต่ว่าด้วยบุญที่รักษาประพฤติสมณะธรรมมาสองหมื่นปีเนี่ยก็ทําให้เป็นพญนาคที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีวิมานอยู่วังเทืออยู่อย่างสุขสบายแต่ก็เป็นพญนาค เป็นอเหตุกปะปฏิสมทิพญานาคตัวนี้เนี่ยรอเสมอเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้เมื่อไหร่ก็รอเนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยมาร้องรําตลอดเพื่อจะได้สังเกตว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นหรือ ย, ยังก็เป็นร้องเพลงเป็นคําถามเนี่ยนะรออยู่จนถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็มีคนที่มาร้องแก้เพลงพญานาครู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วก็เข้าไปเฝ้า พอเข้าไปเฝ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ฟังแล้วตัวเองไม่ได้บรรลุอะไรเลยเนี่ยปกตินี่จะต้องเป็นพระโสดาบันแต่เพราะความที่ตัวเองปติสนที่เป็นอหิตกะคือเป็นเดริชานไม่ได้บรรลุอะไรเลยก็เสียใจมากพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสิ่งที่ได้โดยยากหนึ่งคือความเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดได้ยากมากเลยนะเพราะถ้าถ้าเทียบกับอบายกับมนุษย์นี่ยนะมนุษย์ตอนนี้ห้าพันล้านก็จริงแต่ถ้าเทียบกับอบายไหนมากกว่ากัน หน้านี้นะถ้าใครไปจับปลามาเนี่ยปลาแต่ละตัวในท้องโตโตทั้งนั้นเลยเนี่ยเี่ยท้องโตโตเนี่ยท้องโตโตนี่ไข่ปลานี่ยยังเคเห็นไห้เคยเห็นไข่ปลาไหมนั่นแหละแล้วไข่ปลาหนึ่งตัวมีกี่ฟองแล้วบางทีนะอย่างเช่นปลาสวายเนี่ยไข่มันเนี่ยตัวเนี่ยเท่าแก้วแกวเนี่ยฟองไหยฟองเนี่ยเท่ากับแก้วแล้วตักเป็นกะละมังกะละมังเนี่ยเท่าค่าขายกันเนี่ยฟองเยอะมากมากเลยแล้วก็พวกเล็กๆกว่าปลาอีกอะ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 นั้นถ้าเราปล่อยปละละเลยเราก็หมาถือว่าเป็นผู้ที่ปฏิทุสลายตัวเองมากเลยเนะี่ยถ้าเราปล่อยโอกาสในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมให้ผ่านพ้นไปเราจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดแล้วไม่มีใครตำหนิเรารุนแรงเท่ากับเราใช่เพราะเราต้องเกี่ยวข้องกับตัวเองอีกนานหรือว่าเราก็ยังไม่มีโอยตนของตนก็ยังไม่มีไม่มีเราไม่มีเขามีแต่ความว่างเปล่าสุญญาตาอนัตตาขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยนะ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 ทีนี้เอกนอนอยู่ในเตียงเนี่ยอะไรคนมาเยี่ยมตลอดเลยนะคนมาเยี่ยมที่คนอื่นมองไม่เห็นเนี่ยนะคนโน้นก็มาคนนี้ก็มาโอ้แล้วก็พูดอยู่คนเดียวนั่นแหละถามว่าตอนนั้นแล้ใครจะช่วยใครได้เนี่ยนะเราจะได้จะต้องไปอยู่ในอาการที่ลำเอร์เพลิคลั่งขนาดนั้นเลยมันจะลําบากามันรีบศึกษาคําธรรมะ <c oughs> แล้วก็เจริญกรรมฐานให้ได้เจริญกุศลให้ได้นั่นแหละเป็นสะพาน เป็นเชือกที่เราจะข้ามไปพ้นจากอบายได้ถ้าไปอยู่ในอาการที่สุขภาพก็ไม่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าเราฟังธรรมจะฟังได้ฟังไม่ได้หรอกเนไะหป่วยจริงๆเนี่ยถามถามโยมดูเถอะที่ไม่เพิ่งไม่สบายมาไม่นานเนี่ยนะฟังธรรมตลอดเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยเออเข้าใจดีแสดงว่าเป็นยังไม่มากถ้า <laughs> เป็นมากจริงๆแม้แต่เสียงฟังธรรมยังฟังไม่ได้เลยนะ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 จบเลยแล้วเรารู้ได้ไหมว่าเราจะปวดตรงไหนก่อนล้วก็รู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้ตรงนี้แหละขวนขวายไว้เธอเนี่ยนะขวนขวายไว้เธอถ้าเกิดเราไปลักษณะเป็นคนไข้ที่เขาไม่ยอมให้ตายสักทีเลยรับปั๊มให้เรามีบุญเก่ามากเขาดูแลอย่างดีเลยเขาห้องอย่างดีเลยที่เรียกว่าให้หายใจได้ก็แล้วกันนะ่ะให้หายใจให้หัวใจเต้นได้แต่ว่าสักสามปีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น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 อธิปัญญาอย่างไรก็ตามให้ใจเป็นไปกับอธิศีนอธิจิตอาธิปัญญาใจของผู้ใดเป็นไปกับอธิศีนอธิจิตอาธิปัญญาได้ใจเหล่านั้นนี่แหละจะพ้นจากความเดือดร้อนใจในภายหลังเนีย่ยนะตอนนี้นะตอนที่สุขภาพดีๆไม่เห็นมีอะไรต้องเสียใจเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวเถอถึงวันหนึ่งแล้วจะเสียใจเองเหมือนเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับตอนเก็บข้าวเก็บของยังไม่ได้เดินทางเราก็บอกเอ๊กก็อันนั้นนะมันอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองพร้อมที่จะหยิบจะช่วยใช่ไหม พอไปอีกที่หนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะเอาอะไรไปคนี้เหมือนกับคนที่ต้องเดินทางไกลเนี่ยนะถ้าสเสบียงทางไม่พอนี่ลำบากมากพระพุทธเจ้าตรัส ก, กับอุบาสกคนหนึ่งว่า <c oughs> บัดนี้ท่านเป็นดุจใบไม้เหลืองแล้วดุจใบไม้เหลืองก็แปลว่าอะไรไม่นานก็ร่วงมัอนกันเถองพายุมา บ, าบา่อยๆนี่ปลิวเร็วนะบุรุษแห่งพญายมนี้ปรากฏแกท่านแล้ว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 ถ้ายิ่งไม่ได้เป็นทาโสดาบันด้วยแล้วเราก็จะต้องเสียใจเหมือนหลายคนที่เขาเสียใจว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้มามากมายแล้วเขามัวทำอะไรอยู่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเมื่อสองพันกว่าปีนะันเราก็ถือว่ายังอยู่นะแต่ไม่รู้อยู่พบไหนนะตอนนั้นเนี่ยเราไปทำอะไรกันอยู่นะ น, นะเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเราไปอยู่ที่ไหนไปอยู่จักรวาลไหนไปอยู่ตรงไหนทาไมไม่ไปฟังธรรมเนี่ยนะนะ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 เพราะว่าผู้ที่ฝักฝ่ายเพื่อความพ้นทุกข์นี่น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ในอบายจึงเยอะมากเราจะได้บ่ายหน้าบากหน้าไปสู่อบายเลยถ้าไม่ตรัสรู้ธรรมนอยากคิดนว่าเราจะพ้นพระพิสุสมัยพุทธกาลท่านคุยกันเสมอไว้ว่าอบายนี่เหมือนบ้านเราเหมือนกับบ้านเราจริงๆเหมือนประตูเรือนเน่ยนะไปไหนถ้าไปไม่รอดจะต้องกลับบ้านเก่า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 ดีแน่ถึงจะให้ไปเป็นทาสก็ยอมเนยนะเพราะอะไรเพราะแสดงว่าจะต้องเดี๋ยวได้ตรัสรู้อีกไม่นานจากตรัสรูลล้แล้วล่ะไม่นานก็จะพ้นทุกข์แต่ว่าที่แบบนั้นหายากในโลกเพราะฉะโดยมากก็มีแต่ปัจจัยแห่งอกุศลเมื่อมีปัจจัยแห่งอกุศลทีนี้ถามว่าถ้าเขาโกรธเราเนี่ยเรานั่งยิ้มมีเมตตากับเขาขอให้คุณมีความสุขนะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างนี้ไหมไม่เขาด่าเราคําเดียวที่เหลือเราด่าเขาหมดเลย ก็ตีเราครั้งเดียวที่เหลือก็ตีเขาตลอดเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้ก็น่าสงสารนะไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังพรานความที่คนเนี่ยเนะจริญกรรมาฐานไม่ได้ใจไม่สงบส่วนใหญ่ก็นึกตำหนิตัวเองที่ผ่านมานึกถึงความหลังว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยขอมายังมาเนี่ยมานั่งตำหนิตัวเองตั้งหลายเรื่องนะไม่น่าเลยไปฆ่ามทําไมเนี่ยนะใช่ไหมไปรักเขาเขาทําไมไปรักสตังค์แม่ทําไมเนี่ยนะ รักไปทีละบาทสองบาทนี่ไปลักของแกทําไมก็ไม่รู้ก็เคยรักอะนะทีเราก็เป็นเออตอนนั้นรักสกังปูตั้งหลายบาทอะไรเงี้ยนี่นยเพราะสมัยนั้นก็มีห้าบาทสิ บ, บาทนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะมันเราก็รักได้ทีรักไม่กี่บาทหรอกรักมากเดี๋ยวเขจับได้จับได้ก็มูซาอีกหลอกอีกอะนะโอ้กหแต่ว่าผู้ใหญ่ยังไงเขาก็ไม่โง่เหมือนเด็กหรอกไม่เชื่อนะเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเขาก็ถือว่าลูกเ้าหลานเขาก็เลยก็ตีไม่กี่ครั้งก็ปล่อยไปไม่ถึงก็ข่ากระแกงอะไรหรอก มันก็ยังนึกได้ทําไมมาทําทําอย่างนั้นทําไมไปทําอกุศลแบบนั้นทําไมแล้วก็คนที่ทําอกุศลมาแล้วเนี่ยนะอย่างโดยมากจะเสียใจในภายหลังทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอยู่พยายามคัดสรรเลือกสรรไว้เสมอแต่ว่าขอให้ได้เป็นไปกับกุศลขอให้เป็นไปกับกุศลให้เป็นไปกับอาธิศีนให้บ่อยๆเป็นไปกับอาธิจิตและอาธิปัญญาขอให้เป็นไปกับสิกขาสามแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อการ ตรัสรู้ธรรมแต่มันก็ไม่ง่ายหรอกนะก็ทําไปทํามาสงสัยอีกแล้วจริงหรือเปล่าเนี่ยนะวิจิกิจชาก็เข้ามาอีกใช่ไหมจริงหรือพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือพระธรรมดีจริงหรือพระสงฆ์ปฏิบัติดีจริงหรือเนี่ยนะแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นกุศลจริงหรือมันให้ผลเป็นสุขจริงหรือทําไปทํามาก็เริ่มอะไรนะเริ่มขัดขาตัวเองแล้วใช่ขัดใจตัวเองเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาเพราะนั้นตัววิจิกิจชาเนี่ยก็ตัวกลางกั้นตัวบันทอนทาให้ไม่เจริญ กุศลนั้นตัววิจิกิจฉาตัวนี้เนี่ยท่านบอกว่าตะปูตรึงใจเลยเนะตะปูตรึงใจห้ามเจริญกุศลเลยซึ่งนึกสงใสัยในพระพุทธ เ, เจใใ้าขึ้นมาก็ไม่เจริญกุศลแล้วสงใสัยในพระธรรมขึ้นมาก็ไม่เจริญกุศลสงสัยในพระสงฆ์ก็ไม่เจริญกุศลสงสัยในอธิศีนอธิจิตอธิ ป, ปัญญาก็ไม่เอาละก็ไม่ก่อให้เกิดความเพียรแะ้วอนนันตัววิจิกิจฉานี้ก็เป็นตัวนิวรณ์ที่รัดตรึงตรึงจิตห้ามไม่ให้เกิดการเจริญ กุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้ทห้าที่ควรละคือนิวรห้าถ้าละนิวรห้าได้แล้วก็โอปฐมมชชา น, นี่ก็อยู่แค่เอื้อมเนี่ยนะปฐมมชา น, นี่อยู่แค่เอื้อมจริงๆถ้าได้ปฐมมัชชาน่นะถือว่าจิตเบาจิตอ่อนจิตคล่องจิตควรแก่การงานแล้วเนี่ยน้อมไปเจริญสมถะอย่างอื่นเจริญมิปัสนาก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ว่านิวรเนี่ยมันเป็นตัวบันทอนเป็นตัวที่ทำํำปฏิทุสร้ายเล่นงานจิต เพราะว่านิวร์แต่ละตัวเนี่ยนะอย่างการมฉันท่านิวร์เนี่ยเป็นเหมือนคนมีนี่พยาบาทนิวร์ก็เหมือนคนไข้ถีนะนิท่านิวร์ก็เหมือนคนอยู่ในห้องขังอุททจากูกุจานิวร์ก็เหมือนทาสนิจิกิจชานิวร์ก็เหมือนกับคนที่เดินทางที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายหน้าหวาดระแวงนิวร์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะประทุสร้ายมากนิวร์เหล่านี้ทําให้ทรงกรรมคาสอนไม่ได้ทําให้ไข้ครวรคําสอนไม่ได้ทําให้ระลึกถึง คำสอนไม่ได้เป็นตัวที่บันทอนในการเจริญศิขาสามมันทำห้าถ้าใครทำบุญและตั้งความปรารถนาก็เนี่ยขอให้ได้กำจัดนิวรณ์เหล่านี้ออกไปตรงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนได้จช่ไห